หลวงพ่อคะหนูจะมาเข้ากรรมฐานคะ่ะหญิงสาววัย18เอ่ยขึ้นหลังจากทําความเคารพท่านพระครูด้วยการกราบสามครั้งแล้วหนูมาจากไหนล่ะจ๊ะมากับ สมภานวัดป่ามะม่วงถามจากบางระจันค่ะหนูมาคนเดียวแม่ให้มาปฏิบัติก่อนแล้วกลับไปเปลี่ยนแม่เรารับจ้างสักรีบเสื้อผ้า ค, ค่ะตอนนี้งานไม่ค่อยชุกเท่าไหร่ก็เลยจะผลัดกันมาเข้ากรรมฐานหล่อนกราบเรียนดีแล้วหล่ะหนูมาสร้างความดี ให้กับตัวเองนับว่าประเสริฐที่สุดไม่มีอะไรดีกว่านี้อีกแล้วสะสมบุญเอาไว้มากๆต่อไปในภายภาคหน้าหนูจะเจริญรุ่งเรืองมีคู่ครองก็จะได้คนดีเพราะอำนาจบุญกุศลบรรดา หนูคงไม่มีวาสนาถึงปันนั้นหรอกค่ะหลวงพ่อหนูยากจนค้นแค้นเสื้อผ้าก็ขาดปะแล้วปะอีกผู้ชายดีๆที่ไหนเขาจะมามองพูดอย่างเจียมเนื้อเจียมตัวท่านพระครูมองหน้าหล่อนและเห็นว่าหญิงสาวผู้นี้จะได้ดีบได้ดีต่อไปในวันข้างหน้าแม้เสื้อและผ้าถุงที่หล่อนสวมใส่จะมีรอยปะชุนอยู่หลายแห่งแต่งโงเฮ้งบนใบหน้า ก็สอแววว่าหล่อนจะกลายเพศเป็นเศรษฐีต่อไปในอนาคตมีศีหนูผู้ชายดีมีคุณธรรมเขาจะไม่มองแค่รูปภายนอกแต่เขาจะมองเข้ามาถึงภายในหัวจิตหัวใจแล้วก็เลือกหนูเป็นคู่ครองเชื่อหลวงพ่อสิขอให้ตั้งอกตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานก็แล้วกันนะหนูนะ หนูตั้งใจว่าจะอยู่ปฏิบัติ15้าวันหลังจากนั้นก็จะกลับไปเปลี่ยนให้แม่มาอยู่ปฏิบัติบ้บางเรายากจนเหลือเกินค่ะหลวงพ่อหนูกับแม่รับจ้างซักรีดเสื้อผ้าวันๆต้องซักต้องรีดหลายสิบตัวบางทีรีดผ้าเขาไม่ก็ต้องหาเงินมาซื้อให้เขาเต่รีดถ่านเอาแน่ไม่ค่อยได้ร้อนมากก็ทาให้ผ้าไหม ร้อนน้อยก็ทำให้รีดไม่เรียบถ้าไม่ยากจนค้นแค้นแสนสาหัสอย่างนี้หนูคงมีเตารีดไฟฟ้าใช้กับเขาบ้างเกิดมาจนนี่ไม่ดีเลยนะคะหลวงพ่อพูดอย่างน้อยใจในวาสนาไม่เป็นไรหรอกหนูอีกหน่อยหนูจะรวย ขอให้ตั้งใจปฏิบัติกรรมฐานก็แล้วกันเชื่อหลวงพ่อเถอะกรรมฐานทำให้รวยได้หรือคะหญิงสาวรู้สึกกังขาได้สิถ้าปฏิบัติถึงขั้นแล้วพ่อของหนูยังอยู่หรือเปล่าจะ๊ะเห็นพูดถึงแต่แม่ท่านเปลี่ยนเรื่องถามอยู่คะ่ะ เตีย่ยมีอาชีพเป็นจับกังรับจ้างแบกหามอยู่ในตลาดบางระจันแม่กับเตีย่ยมีลูกห้าคนหนูเป็นคนโตมีน้องชายสี่คนกำลังเรียนหนังสือเตีย่ยบอกน้องๆว่าไม่มีสมบัติอะไรจะให้ถ้าอยากร่ำรวยก็ให้ตั้งใจเรียนน้องๆเขาก็เชื่อฟังและเรียนเก่งทุกคนค่ะดีแล้วในอนาคต น้องๆของหนูจะได้เป็นถึงด็อกเตอร์เพราะมีพ่อแม่ดีเตียหนูสอนลูกได้ดีมากการให้วิชาความรู้มีค่ายิ่งกว่าให้ทรัพสมบัติเพราะทรัพสมบัตินั้นหมดได้ถ้าใช้ไม่เป็นบางคนมีนามีไร่เป็นร้อยๆ แต่ไปติดการพ น, นันเลยขายเอาเงินไปเล่นหมดจากเศรษฐีก็ต้องกลายมาเป็นยาจกหลวงพ่อเห็นมาหลายรายแล้วเสียงกลองเพลงดังขึ้นท่านพระครูจึงบอกญาติโยมที่กำลังนั่งสมาธิให้เตรียมแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลจากนั้นจึงสั่งนางโถว่า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 ล่นตอบชื่อเพราะดีก็ขอให้งอกงามในธรรมะสัมมาปฏิบัตินะหนูนะเอาละไปกับโยมโถเขานะหลวงพ่อเห็นจะต้องกลับกุฏิก่อนพูดจบจึงเดินลงบันไดกลับไปยังกุฏิที่พักอุบาสกอุบาสิกาพากันไปรับประทานอาหารที่โรงครัวซึ่งบรรดาแม่ที ช่วยกันทำอาหารเลี้ยงผู้มาปฏิบัติธรรมตลอดจนแขกเรือที่มาในมั ส, สการท่านพระครูเมื่อเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงเดินมาถึงกุฏิก็พบสตรีสามคนนั่งรออยู่จึงทักขึ้นว่าเจริญพรโยมมาจากไหนกันจ๊ะ จากกรุงเทพจะหลวงพ่อฉันพาน้องสาวสองคนมาเข้ากรรมฐานคนเป็นพี่สาวตอบแล้วกราบสามครั้งส่วนน้องสาวทั้งสองพากันกราบตั้งแต่ท่านพระครูเดินเข้ามาไปรับประทานข้าวกันก่อนนะถึงเวลาอาหารแล้วเรื่องอื่นเดี๋ยวค่อยมาคุยกันทีหลังเคยมาหรือเปล่า เคยจ้ะแต่น้องยังไม่เคยงั้นฉันพาน้องไปทานข้าวแล้วจึงมาหาหลวงพี่ที่นี่นะจ๊ะตกลงหลวงพ่อก็จะฉันเพงเหมือนกันท่านตอบคนทั้งสามกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วพากันเดินไปยังโรงครัวเพื่อรับประทานอาหาร หญิงสาวสามคนลุกออกไปแล้วเจ้าอาวาสวัดป่ามะม่วงจึงเข้าไปล้างมือล้างเท้าในห้องน้ำใต้บันไดเพื่อเตรียมตัวฉันพัฒหารซึ่งเด็กชายขาวกับเด็กชายแดงคู่แฝดวัยเจ็ดขวบจัดเตรียมไว้ให้ส่วนหนุ่มสำริดซึ่งบัดนี้เปลี่ยนคำนำหน้าชื่อจากเด็กชายมาเป็นนายได้เข้าไปเรียนหนังสือในตัวจังหวัดท่านพระครู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 น้องสาวคนรองพูดอย่างอดรนทนไม่ได้ก็มันจริงนี่นะหลวงพ่อเชื่อไหมลูกทั้งท้องมีฉันโชคดีอยู่คนเดียวแม่ฉันมีลูกสาวสามคนฉันเป็นคนโตและก็โชคดีกว่าเพื่อนส่วนน้องสาวสองคนไม่ไหวโชคร้ายที่สุดหลันทําปากเบ้และสายศีษะไปมาโชคร้ายยังไงละ่ะท่านพระครูสัก ก็เขาได้ผัวไม่ดีนะสิจ้าหลวงพ่อน้องเขยสองคนของฉันแย่ yeah, มากใช้เมียยังกับคี้ค่าไม่ทำมันก็เตะเอาสู้ผัวฉันไม่ได้นัมเบอร์วันเลยหล่อนชูนิ้วหัวแม่มือขึ้นประกอบคำพูดอ๋ออย่างนั้นหรือพวกบ้านของโยมเขาดียังไงละ่ะ ก็เขาทำให้ฉันทุกอย่างตั้งแต่หุงข้าวทำกับข้าวซักผ้าพูดแล้วจะหาว่าคุยแม้แต่ชั้นในเขาก็ ย, ยังซักให้ฉันเลยจ่าหลวงพ่อหล่อนคุยอวดหากท่านพระครูกลับมองว่าหล่อนกำลังประจานสามีถึงอย่างนั้นเชียวหรือยังไม่หมดนะจ๊ะเขายังเลี้ยงลูกให้ฉันอีกด้วยฉันมีลูกสี่คนเขาเลี้ยงให้หมด ฉันไม่ต้องทำอะไรเลยโอ้โหดีจริงจริงเท่ากับโยมได้ลูกชายคนโตดีเพราะสามารถทำให้แม่ได้ทุกอย่างท่านพระครูประชดทว่าหญิงสาวคิดว่าท่านพูดจริงจึงยิ้มย่องผ่องใสภาคภูมิใจในสามีสุดที่รักแต่ดีสำหรับโยมนะไม่ใช่สำหรับ อาตมาทำไมเลยจ้าหลวงพ่อหน้ายิ้มเปลี่ยนเป็นหน้าบึง้งเมื่อท่านพระครูไม่เห็นด้วยหรือว่าท่านจะรู้ถึงภูมิหลังของหล่อนคงเป็นไปไม่ได้แน่เพราะน้องสาวสองคนที่มาด้วยก็ยังไม่รู้ไม่รู้ว่าหล่อนแย่งสามีคนอื่นเพียงมองหน้าและกําหนดเห็นหนอท่านพระครูก็รู้อดีตและปัจจุบันของหลอน อย่างทะลุปลุกโลงและรู้เลยไปถึงอนาคตด้วยโยมชื่ออะไรกันบ้างละ่ะคุยกันมาตั้งนานยังไม่รู้จักชื่อเสียงเรียงนามเลยสมภารวัดป่ามะม่วงเปลี่ยนเรื่องถามฉันชื่อแจ่มจันจ่ะน้องคนรองชื่อแจ่มจิตส่วนคนเล็กชื่อแ จ, จ่มใจนางแจ่มจันตอบ และเหมือนจะนึกอะไรขึ้นมาได้จึงตอบเกินคำถามว่าส่วนผัวฉันชื่อปรุงจะเป็นประหลัดอำเภอกําลังจะได้เป็นนายอาเภอในเร็วๆนี้ไม่ได้เป็นหอกโยมอาตมารับรองว่าไม่ได้เป็นเขาจะเป็นแค่ประหลัดอำเภอไปจนกเกษียณเพราะกุศลกรรมไม่มีท่านพระครูพูดตามที่เห็นทาไมหลวงพ่อพูดอย่างนั้นล่ะ มาแช่งผัวฉันทำไมผู้หญิงอายุสามสิบแปดพูดโกรธโกรธพี่พูดกับหลวงพ่อดีๆหน่อยนางจำใจเตือนพี่สาวช่างเขาเถอะหนูพี่สาวหนูนะ่ะเขาเป็นคนลึกลับแม้แต่หนูสองคนซึ่งเป็นน้องสาวก็ยังไม่รู้จักเขาดีพอจริงไหมล่ะโยม ที่อาตมาพูดมานี่จริงหรือเปล่าท่านตั้งใจยั่วให้หล่อนกโกรธนานทีปีหนคนทุศีลจะมาเข้าวัดจึงต้องดัดนิสัยหล่อนเียบ้างมิฉะนั้นหล่อนก็จะดันทุรังก่อกรรมทําชั่วต่อไปอีกนางแจ่มจันทร์เป็นชู้กับนายปรุงโดยที่พ่อแม่และน้องๆของหล่อนไม่รู้เรื่อง ไม่หลวงพ่อถึงว่าผัวฉันจะไม่ได้เป็นนายอำเภอล่ะผู้หญิงอายุ38ยังไม่หายคลางแคลงใจอยากให้อัตมาพูดตรงๆไหมละ่ะอย่าหาว่าประจานนะแต่อัตมาหวังดีอยากให้โยมยุติการกระทำที่ผิดศีลธรรมขอให้เชื่อเถิดว่านารกสวรรค์มีจริง คนที่ผิดศีลข้อสเมื่อตายไปจะต้องปีนต้นงิ้วในเมืองนรกที่มีหนามยาวถึง16องคุลีผัวฉันเขาบอกว่าไม่ต้องกลัวเวลาตายให้เอาเลื่อยไฟฟ้าใส่ลงไปด้วยหล่อนพูดตามที่นายปรุงสอนไว้ทำพูดดีไปเถอะแล้วอย่ามาหาว่าอัตมาไม่เตือนก็แล้วกัน สามีโยมน่ะเขาไม่ก้าวหน้าในการงานอีกต่อไปเพราะผิดสีนี่แหละหลวงพ่อคะพี่สาวหนูเขาผิดสีข้อสามยังไงหรือคะนางจ่าจิตถามหล่อนไม่รู้ภูมิหลังของคนเป็นพี่สาวเพราะถึงแม้จะเป็นพี่น้องกันแต่ก็ไม่ค่อยได้พบกันบ่อยนักบ้านหล่อนอยู่บางน า, นาขณะที่พี่สาวอยู่บางกะปิ ส่วนน้องสาวคนเล็กอยู่บางแคจึงไม่ค่อยรู้เรื่องราวของกันและกันถามเขาดูสิแต่หนูสองคนไม่ต้องไปเสียอกเสียใจว่าได้สามีไม่ดีเขาอาจจะไม่ดีในทัศนะของพี่สาวหนูแต่สำหรับหลุงพ่อหลวงพ่อคิดว่าอย่างน้อยเขาก็ดีกว่าพี่เขยของหนู ดีกว่าอย่างแน่นอนหลวงพ่อมาว่าหัวฉันทําไมเป็นพระเป็นเจ้าพูดอย่างนี้ได้หรือฉันจะไปบอกหัวฉันให้มาเอาเรื่องกับหลวงพ่อไว้ก็ได้เป็นนายอำเภอเมื่อไหร่ฉันจะให้เข้ามาเล่นงานหลวงพ่อนางแจ่มจันทร์พูดกรดโกรธมาเลยโยมมาเผาวัดอัตมาก็ได้แต่ต้องให้ได้เป็นนายอําเภอก่อนนะ ท่านพระครูท้าเพราะรู้ว่าบุรุษผู้จมอยู่ในตันหานาทีคนนั้นไม่มีโอกาสที่จะได้พบกับความก้าวหน้าในชีวิตอีกเลยเพราะอำนาจมนดำและการประพฤติผิดศีลธรรมอย่างร้ายแรงของเขาอวดดีท่านอวดดีเกินไปแล้วหล่นกรีดเสียงพี่จันน้องสาวสองคนอุทานขึ้นพร้อมกัน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 หนูตั้งใจมาเข้ากรรมฐานพี่จิตละจ๊ะน้องคนเล็กถามพี่คนรองพี่ก็ไม่กลับจ๊ะแล้วหันไปบอกพี่สาวคนโตว่าพี่จันกลับคนเดียวเธอจ้ะขอบคุณที่มาส่งหล่นกระพุ้งมือไหว้พี่สาวตามใจแล้วกลับกันเองก็แล้วกันฉันไม่มารับพวกแกหรอกเพราะตั้งใจไว้แล้วว่าจะไม่มาเหยียบวัดนี้อีก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 ท่านพระครูพูดถึงนายปรุงผู้ซึ่งแม้ไม่เคยเห็นหน้าหากก็เห็นกรรมของเขาอย่างทะลุปรุกโรงเป็นอย่างไรคะนางจำใจถามหนูเคยได้ยินไหมละ่ะที่คนโบราณเข้าสอนไว้ว่าเมาเพศหมดค่าเมาสุราหมดความสำคัญเมาการพนันหมดตัวเมาเพื่อนชั่ว หมดดีพี่เขยของหนูเขาเมาครบสี่แบบเลยเขาจึงหมดค่าหมดความสำคัญหมดตัวแล้วก็หมดดีหลวงพ่อถึงได้พูดว่าเขาไม่มีโอกาสที่จะได้เป็นนายอำเภออย่างไรละ่ะแต่สามีของหนูสองคนจะก้าวหน้าการที่พัญญามาเข้ากรรมฐานจะช่วยให้สามี จเจริญก้าวหน้าในหน้าที่การงานแต่หนูต้องแผ่เมตตาให้เขาเข้าใจไหมละ่ะเข้าใจค่ะหญิงสาวทั้งสองตอบพร้อมกันหลวงพ่อคะ่ะทำไมพี่สาวคนโตถึงนิสัยไม่เหมือนเราสองคนคะ่ะหนูนึกไม่ถึงว่าเขาจะแสดงความก้าวร้าวต่อหลวงพ่อถึงขนาดนี้หนูอายเหลือเกินคะ่ะ ไอ้ที่มีพี่สาวแบบนี้ทำไมเราสามคนเกิดจากท้องเดียวกันแต่นิสัยไม่เหมือนกันล่ะคะนางจ่มจิตถามไม่ใช่เรื่องแปลกหรอกหนูไม้ไผ่ยังต่างปล้องพี่น้องยังต่างใจคนเราเกิดมาต่างกรรมต่างวาระจะเหมือนกันได้อย่างไร บางคนพี่ชายแสนดีแต่น้องชายเลวบางคนพี่ชายเลวแต่น้องชายดีก็มีไม่น้อยเหมือนหนูสองคนกับพี่สาวถึงจะมาจากท้องเดียวกันก็ต่างกันได้ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกันเอาละพากันไปเข้าที่พักได้กุตติแม่สสอิ่ง อย่างว่างให้ไปพักที่นั่นเวลาปฏิบัติก็ให้ไปที่ศาลาถ้ามาคนเดียวหลวงพ่อจะส่งไปที่สํานักทีแต่ถ้าใครสามารถอยู่คนเดียวได้ก็จะให้ไปพักกุฏิที่วัดนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์สถิตอยู่มากบางคนเขากลัวไม่กล้าอยู่คนเดียวเมื่อตอนสาย มีแม่หนูคนหนึ่งมาจากบางระจันลุงพ่อดูหน้าก็รู้ว่าอยู่คนเดียวไม่ได้เลยส่งไปที่สำนักชีท่านหมายถึงนางสาวงอกงามถ้าอย่างนั้นหนูกับน้องขออนุญาตไปเข้าที่พักเลยนะคะไปถูกใช่ไหมกุติหลังที่อยู่หน้าโบสถ์นะ คนทั้งสองกราบท่านพระครูสามครั้งแล้วลุกออกไปเข้าที่พักปฏิบัติกรรมฐานครบสิบห้าวันแล้วนางสาวงอกงามก็มากราบลาท่านสมภารเพื่อกลับบ้านไปเปลี่ยนมารดาให้มาปฏิบัติบ้บาง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 ได้กินอิ่มนอนหลับตลอดสิบห้าวันที่อยู่ที่นี่หนูขอทําบุญกับหลวงพ่อห้าบาทค่ะอาจจะไม่คุ้มค่ากินค่าอยู่หลวงพ่อคงไม่ว่านะคะไม่ว่าหรอกหนูทําไม่สะดวกก็ยังไม่ต้องทําบุญก็ได้เอาไว้มีเมื่อไร่ค่อยมาทําไม่เป็นไรคะ่ะหนูตั้งใจไว้แล้วหนูขอถวายคะ่ะ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 มาขอโทษอาตมาเรื่องอะไรล่ะท่านถามคือผมหลงกโกรธหลวงพ่อที่ไม่รับนิมนต์ไปงานแต่งงานของผมนะครับผมเพิ่งรู้เดี๋ยวนี้เองว่าที่หลวงพ่อไม่รับเพราะรู้เรื่องหน้าว่าผมจะไม่ได้แต่งงานใช่ไหมครับถูกแล้วอาตมาดูหน้าโยมแล้วรู้ว่า ต้องไม่ได้แต่งงานกับคนนั้นแน่ก็เลยไม่รับนิมนต์แล้วไปยังไงมายังไงล่ะรู้แล้วใช่ไหมว่าจะไม่ได้แต่งงานกันครับเพิ่งรู้เมื่อสักครู่นี้เองผมผิดหวังมากไม่นึกว่าจะเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ขึ้นไม่นึกเลยจริงๆพอจะเล่าให้อจตมาฟังได้ไหมครับเขารับคำ พลางปลายตามองไปยังหญิงสาวที่นั่งอยู่เบื้องซ้ายหน้าตาหล่อนดูสวยบริสุทธิ์แม้เสื้อผ้าที่สวมใส่จะเก่าเต็มไปด้วยรอยปะทว่าก็ดูสะอาดสะอ้านหนุ่มใหญ่ว้สามสิบมองเห็นรูปทองที่ซ่อนอยู่ข้างในนางสาวงอกงามเห็นว่าจะเป็นการเสียมารยาทที่นั่งฝังจึงเอ่ยลา หนู ก, กราบลาหลวงพ่อก่อนละค่ะหล่อนกราบเป็นจางคประดิษฐ์สามครั้งแล้วคลานออกมาขันถึงประตูจึงลุกขึ้นเดินใครครับหลวงพ่อชายหนุ่มมองตามกระทั่งหล่อนเดินลับตาไปจึงหันมาถามท่านพระครูเขามาเข้ากรรมฐ า, านบ้านอยู่บางระจันเห็นว่าจะกลับไปเปลี่ยนให้แม่มาเข้าบ้าง เขายากจนนะบ้านก็ไม่มีต้องอาศัยเท่าแก่โรงสีอยู่ท่านพระครูรู้แม้หญิงสาวไม่ได้เรียนให้ทราบแต่ท่าทางเขาเป็นคนดีนะครับกริยามารยาทก็เรียบร้อยลงพ่อครับถ้าผมจะแต่งงานกับคนนี้จะได้ไหมครับผมไม่รังเกียจแม้เขาจะจนคนถูกสอนรักปักอกว่าเขาเป็นลูกชายเจ้าของร้านเพชรทีท่กรุงเทพ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 ตั้งใจจะไปเยี่ยมคู่มั่นที่สิงห์บุรีพอเข้าไปในตลาดก็พบเพื่อนเขาบอกว่าคู่มั่นผมกําลังทะเลาะกับคนอยู่กลางตลาดผมก็ไม่เชื่อเขาเลยพาไปดูแหมหลวงพ่อครับกําลังชี้หน้าด่ากันใหญ่ทําท่าจะตบจะตีกันด้วยผมเลยไปบอกพ่อแม่เขาว่าขอถอนมั่นตกลงกันไว้ว่าค่าสินสอดห้าแ 0,000 บาทพอเห็นเขาเป็นอย่างนั้นผมก็บอกตัวเองว่า แบบนี้สลึงเดียวก็ไม่รับประทานพ่อแม่เขาก็เสียใจผมบอกทองมั่นกับแหวนเพชรผมยกให้ไม่เอาคืนให้เขาบอกลูกสาวเขาด้วยและผมก็นึกถึงหลวงพ่อและนึกออกว่าทำไมหลวงพ่อถึงไม่รับนิมนต์ไปงานแต่งงานของผมตอนนั้นผมโกรธหลวงพ่อมากแต่ตอนนี้ผมเข้าใจแล้วครับชายหนุ่มเล่าและบ่นต่ออีกว่าไม่ไหวเลยนะครับ ราคาห้าแ0นพอไปเอื้อเยอเอื้อเยอกับเขากลางตลาดราคาตกลงมาเหลือไม่ถึงสลึงผมผิดหวังมากไม่นึกว่าเขาจะเป็นอย่างนี้แต่ผมคิดว่าผมพบเนื้อคู่แล้วนะครับผู้หญิงคนเมื่อกี้นี้หลวงพ่อว่าผมจะตามไปบ้านเขาดีไหมครับนุ่มใหญ่ใจร้อนขอความเห็นอย่าเพิ่งเลยไว้รอมาพูดกับแม่เขาดีกว่า แม่เขาจะมาเข้ากรรมฐานทางที่ดีโยมน่าจะมาเข้ากรรมฐานด้วยจะได้รู้ด้วยตัวเองว่าใช่เนื้อคู่กันหรือเปล่าเคยมีฝรั่งมาบวชที่นี่อาตมาให้เขาปฏิบัติกรรมฐานเขายังรู้ว่าเนื้อคู่เป็นใครท่านหมายถึงนายวิโก้เปาวาตกลงครับ ผมจะมาเข้ากรรมฐานเป็นเพื่อนว่าที่แม่ยายชายหนุ่มตกปากรับคำอย่างง่ายดายเขาจะต้องแต่งงานกับผู้หญิงคนนั้นให้ได้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้น